บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในตอนต อ, ตอนต่อไปนั้นท่านเมตรครูได้กราบทูลถามรพระผู้มีรพระภาคเจ้าว่าทีระชนปฏิบัติตนอย่างไรจึงสามารถทำตนให้หลุดพ้นจากโอกคัเข้าถึงความสงบระงับแผงตัณหาได้ พระพุทธเจ้ารับสั่งเป็นใจความว่าทีรชนเป็นผู้มีสติในที่ทั้งปวงจึงสามารถข้ามโอเะผ่านพนกระแสะแห่งตันหาไปได้และการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นคำพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน และผู้ที่สามารถปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นได้คําว่าตื่นในความหมายที่ท่านประสงค์นั้นหมายถึงการตื่นจากกิเลสสนิสาคือการหลับไปด้วยอํานาจของกิเลสการหลับในลักษณะนี้แม้ว่าบุคคลจะไปไหนมาไหนหทำอะไรอยู่ได้ก็ตามแต่ถ้าเป็นการกระทําด้วยแรงผลักดันของกิเลสในแง่ของคําพุทธะท่านก็ถือว่ายังหลับอยู่ กพ ถ, ถูกเสือกสบังคับให้เป็นไปตามแรงของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในแต่ละในแต่ละขณะดังนั้นคนที่จะสามารถปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาได้ดังน้อยก็ต้องเป็นผู้รู้สองด้านด้วยกันรู้ส่วนที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษรู้ส่วนที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณ ในการปฏิบัติระดับศีลธรรมเบื้องต้นก็มีลักษณะอย่างนั้นในที่นี้จะยกตัวอย่างการปฏิบัติระดับสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทั้งสองประการนี้ถือว่าเป็น พ, พื้นที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสผลเบื้องสูงขึ้นไปโดยลําดับในพระพุทธศาสนาแต่วละครที่จะมาเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานได้ จำเป็นจะ ต, ต้องอาศัยความรู้ซึ่งเกิดผุดขึ้นภายในใจของบุคคลระดับหนึ่งที่มองเห็นโทษของนิพพานธรรมทั้ง5ประการโดยความเป็นโทษข้อนี้ดูแล้วจะเป็นสำนวนทางภาษาบาลีเป็นหน่อยหนึ่งแต่ในเชิงปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติธรรมาจะสังเกตได้ว่ามีสิ่งต่างๆเป็นนันมากที่บุคคลมองเห็นว่าเป็นโทษแต่ไม่ไปรักแจ้งแก่ใจว่า สิงนั้นเป็นโทษอย่างแท้จริงจึงยังต้องประพฤติยังต้องกระทําในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นโทษจะมองเห็นว่าอบายมุกเป็นโทษแต่ไม่เข้าถึงโทษแห่งอบายมุกนั้นก็ยังคงหมัวเมาในอบายมุกจุูเห็นว่าความโกรธความดิษยาเป็นโทษแต่ยังไม่มองไปจักแก่ใจโดยความเป็นโทษของความโกรธความดิสหยาเหล่านั้น การที่จะถ่ายถอนใจของตนออกจากอำนาจของความโกรธความริษยาก็เกิดขึ้นไม่ได้ลักษณะการมองแนวนี้คล้ายๆกับว่าบุคคลไปพบเสือตัวใดตัวหนึ่งข้าวต่มองไม่ไประจักษ์ชัดอาจจะคิดว่าเป็นแมวขนาดใหญ่ใจของบุคคลก็ไม่พร้อมที่จะหนีอันตรายที่เกิดขึ้นจากเสือ แตถ้ายามใดที่เขาประจักษ์แก่ใจของตนเองโดยท่องแท้ว่านี่เป็นเสือไม่ใช่แมงเขาก็จะหลีกหนีไปในทันทีการมองเห็นโทษของนิวรธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นโทษของนิวรธรรมนั้นต้องเป็นโทษที่เกิดขึ้นและบุคคลมองเห็นประจักษ์แก่ใจโดยสายการเพ่งพินิษฐพิจารณาถึงโทษของกาลฉัน์บ้างโทษของพยาบาทบ้างให้เห็นประจักษ์แก่ใจ และมองเห็นไปจากว่าถ้าใจของตนถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านี้สม่ำเสมอแล้วความสุขความเบิกบานใจที่พึงประสงค์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วก็จะมองหาอุบายวิธีที่จะหลีกหนีโทษเหล่านั้นก็ทํานองคนที่เห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นเสือก็ต้องมองหาอุบายวิธีที่จะหลีกหนีให้พ้นอันตรายหรือบางครั ต้องอุปมาว่าเหมือนบุคคลไปหลงจับงูเข้าในที่มืดก็ในขณะนั้นนาจจะรู้สึกว่านิ่มมือ ด, ดีก็ได้แต่เมื่อเขาออกไปสู่ที่สว่างเห็นไปจากแจ้งแก่ใจว่าเป็นงูก็ต้องหาอุบายอยู่ีที่จะทิ้งทาไมจึงต้องมีอุบายอยู่ไมจึงต้องมีอุบายอยู่ทีในการทิ้งงูก็คงเป็นจำนวนที่เรียกกันว่า ซัดงูให้พ้นคอคือซัดไปแล้วงูก็วกกลับมาเป็นอันตรายแก่ตนเองการที่จะซัดออกไปก็ต้องอาศัยอุบายวิธ่ที่ที่ฉลาดเสียเดียวมองเห็นอันตรายที่ประจักษ์ในขณะนั้นและมองเห็นอันตรายที่สืบเนื่องมาจากการซัดงูออกไปไม่ดีโดยอุบายวิธ่ที่จะบังเกิดขึ้นนั้นเองทําให้บุคคลผู้นั้นซัดงูให้พ้นคอตอนเองไปได้ การมองโทษนิวรณ์ที่ประจักษ์แก่ใจก็มีลักษณะอย่างนั้นจำเ็นจะจำเป็นจะต้องอาศัยอุบา ย, ยวิธีที่ชอบที่ควรแล้วก็มาสำเนียกศึ ก, ศกษามองเห็นผลของความสงบความสงบนั้นเป็นการคาดหมายผลในลักษณะที่ตรงกันข้ามดังนั้นเองโดยอาศัยการอนุมานจากสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏอาจจะมองจากตัวตรงกันข้ามเลยก็ได้ จะมองกามฉันซึ่งเกิดขึ้นแผดเผาจิตใจของตนเองให้เล่าร้อนกระวนกระวายอยากได้ในรมต่างๆไม่สามารถสงบใจลงได้ยามจะนอนก็ไม่อาจที่จะหลับลงเพราะใจยังโอบมุ่นกังวลอยู่ถึงสิ่งอันเป็นที่รักของตนปรจัดแจ้งแก่ใจว่าความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เป็นโทษก็เกิดความเล่าร้อนซัดสายไปของใจเรามองเห็นสภาพติดตรงเงินคากับความเล่าร้อนเหล่านั้น คือความสงบความเยือกเย็นที่เกิดขึ้นจากการป่อผ่อนคลายความรู้สึกในแนวนั้นออกไปจะทำให้บุคคลมองเห็นว่าวิธีที่จะทำให้เกิดผลเช่นนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้หลักของสมถกรรมฐาน ต, ตัวหลักสมถกรรมฐานนั้นที่จริงก็เป็นเพียงเหตุที่จะก่อให้เกิดผลจงกันข้ามกับนิวรณ์ในขณะที่ ภายในใจมีกา ร, รมฉันถ้าเดินไปสายกรรมฐานใจก็จะนองเข็นความจริงในสิ่งซึ่งตนกนําหนดรักคาเย็นดีพอใจอยู่ด้วยใดที่มีความปัญาบาดอยู่แต่ก็จะเล็งเข็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากไม่ตาเป็นต้นแต่ว่าเข้าใจในเชิงทุกเหตุผลว่าผลตั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดมาจากเหตุความสงบในลักษณะนั้นจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องมีอุบายอยิธีเพื่อสร้างให้บังเกิดขึ้นแล้วบุคคลก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้ด้วยเหตุนั้นท่านเมตตคูจึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทีริชนเป็นคนที่เป็นนักปราศคนที่ฉลาดเพราะถ้าให้ฉลาดแยกแยะได้อย่างนี้โอกาสที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากกระแสของโอกานั้นเป็นไปไม่ได้ อย่างน้อยจะต้องมีจุดเริ่มต้นคือแยกได้สองทางดังกล่าวแล้วตามให้สลัดทางที่เป็นโทษมาดำเนินชีวิตของตนในทางที่เป็นคุณในข้อ น, นี้พระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแส ด, แดงวัารีชนนั้นถ้าเขามีสติทรงใช้กับว่าในที่ทั้งปวงหมายความว่าใช้สติในการดำารงชีวิต แม้เกิดความครั่งพลาดความหลงลืมรือปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อใจเข้ามาครอบงำใจของตนการปฏิบัติได้ในลักษณะเช่นนี้สติจะทำหน้าที่ส้านไปในอารมณ์ทั้งหลายคือจะรู้ทานอารมณ์ทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นสตินั้นเมื่อฝึกปรืออบรมให้เต็มที่แล้วก็จะเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นเมื่อศึกษาธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่ว่าขยันธ์ธรมะหากินก็ต้องมีสติอยู่ขยันในการเก็บออมทรัพย์ก็ต้องมีสติอยู่การครบหาสมาคมกับคนดีก็ต้องมีสติหรือสตินี้ขาดไม่ได้จะต้องแทรกซึมอยู่ทุกคนทุกแห่งในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ในที่นี้ได้เน้นไปถึงสติซึ่งต้องมีกําลังมากพอ เพราะอะไรเพราะว่ามุ่งผลที่จะให้หลุดพ้นจากกระแสะของโอคะทั้ง4ีประการสติที่พึงใช้จึงกลายเป็นสติสี่ประเภทได้แก่สติที่ยังลงในกลุ่มของกาย ล, ลึกรู้อยู่ที่กายนั้นๆว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือว่าลึกกายทั้งหมดหรือลึกซึ่สิ่งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งหมดเวลาตนเข้าไปเกี่ยวข้อง คือไม่จะระลึกทานไประลึกในจุดใดจุดหนึ่งที่จิตไปกําหนดในขณะนั้นนั่นซึ่งก็หมายความว่าเวลาไปเกี่ยวข้งอง ก, ก, ก, กับอารมณ์ภายนอกก็ระลึกทันต่ออารมณ์ภายนอกเหล่านั้นในการปฏิบัติในชั้นกายเนื่องจากการเพิ่มพูนสตินั้นเป็นเรื่องที่ยากในการปฏิบัติสติจึงไม่มีเกินมีแต่ลดมีเแต่มตไม่ค่อยพอไม่ค่อยพอใช้แต่นั้นเองดังนั้นจึงทรงสอนให้เพิ่มพูนสติ วิธีเพิ่มพุณสติที่ฝึกด้วยวิธีการต่งตางๆไม่ว่าจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีระลึกทันในริยาบทใหญ่ใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนก็ดีระลทันในริยาบทจ้อยคือยืนเดินนั่งนอนโค้งแขนเหยียดแขนกินกินดื่มทําพูดคิดหรือริมถูกต้องเดินหน้าถอยกลับเป็นต้นก็ดีนั่นเป็นการฝึกปรือให้ใจของบุคคลระลึกทันอารมณ์ทั้งหลาย พระตาบอกว่าบุคคลสามารถระลึกทันในริยาบทการเคลื่อนไหวทุก่างได้ระลึอ ก, ลอกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกได้เวลาไปเกี่ยวข้องอารมณ์เหล่าอื่นแกก็ไม่เกิดเร็วมากไปกว่าพวกเหล่านี้ถ้าพื้นฐานทั่วไปแต่เพราะการฝึกปรือจนมีความชํชนานิชํานาญในการปฏิบัติเจนานาปานสติกรรมาฐานระลึกทันกระบวนการของจิตที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากจิตเกิดดับเร็วเปลี่ยนแปลงไปเร็ว แต่สติของบุคคลระลึกทันจึงกมับบ่นใจได้ว่าอารมณ์ที่หยาบกว่านั้นเวลาตนจะต้องไปเกี่ยวข้องสติก็สามารถระลึกทานได้แต่ในการปฏิบัติตรงก็มีหลักควบคุมสติให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นพอดูกายเสร็จแล้วก็มาดูเวทนาเวทนาที่เกิดดับเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นเป็นการเกิดดับที่เร็วขึ้น บางครั้งก็ปวดเมื่อยตรงนั้นหายรตรงนี้ปวดตรงน้นกลางกลางตรงนี้สติก็ระลึกตามไปได้ทุกจุดพอฝึกปรือมีความจานานระลึกได้เร็วขึ้นแล้วก็สอนให้ระลึกจิตจิตเกิดดับเร็วกวเวทนามากเปลี่ยนแปลงเร็วมีราคะมีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะมีความสงบไม่มีความสงบมีความฟุง้งซ่านไม่มีความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นในแต่ละขณะเร็วมาก ถ้าบุคคลได้ใช้สติกำหนดระลึกพิจารณาไปก็จะระลึกรู้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตแต่ว่าทำได้ดีขึ้นไปก็ระลึกไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มของธรรมะข้อนี้ลองสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั้นแสดงเป็นรูปของบันไดค่อยๆเปลยนค่อยๆไปปัตมะเป็นเรื่องของสันเลขาธรรมหรือเครื่องกัดกราใจไปเรื่อยๆ ทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็รักษาสิ่งนี้ทําได้ไปแล้วก็แล้วกันบาปทีละแล้วก็ให้ถือว่าละแล้วกันไปบุญกุศลที่สร้างเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็รักษาคุณภาพจิตต้ตนไปการละบาปก็พยายามต่อไปการตพิ่มพูนบุญกุศลก็พยายามต่อไปและในที่สุดเมื่อบุคคลกระทาบ่อยๆกระทาให้มากที่ทรงว่ากระทําให้เป็นญาญญาญก็คือญาญพานะที่เป็นเครื่องอาศัยนั่นเอง กระทำให้เป็นญาณก็จะใช้เมื่อไรจะอาศัยไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะกระทำได้นี่ก็ได้ชื่อว่ากำลังของสติมีความเพิ่มพูนมา ก, กิ่งขึ้นลึกอพันต่ออารมณ์ทั้งหลายสูงขึ้นมีความสงบประณีตพอที่จะเพิ่มพูนปัญญายกขึ้นพินิพิจารณาถึงนามรูปตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นถึงความจริงของนามรูปว่า เของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างน้อยก็สามารถที่จะบรรเทาความยึดติดในความเป็นของเราความเป็นเราความเป็นตัวเป็นตนของเราให้น้อยลงไม่มีอะไรก็ขอเพียงแต่ว่าอย่าเป็นมากเกินไปหรืออย่าของเรามากเกินไปรู้จกักสมมติรู้จกักช่วงจังหวะ ว่าในตอนใดควรจะเป็นในตอนใดควรจะปล่อยวางความเป็นเหล่านั้นไปรู้สึกว่าโปร่งเบาสบายขึ้นผู้คนก็จะมองเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมว่ามีความเปลี่ยนแปลงนำใจของตนเข้าสู่ความส ง, งบประนีตมากขึ้นและด้วยกา ร, รปฏิบัติโดยในยนีทัวงหลายแต่เป็นการเพิ่มพูนกุศลแธรรม เพีอยสัยความเพี้าสัยสัมปชัญญะและสัสติจะมีลักษณะเหมือนกับน้ำสะอาดที่บุคคลใส่ไปในภาชนะซึ่งมีน้ำขุนอยู่มากแต่นำน้ำสะอาดเทลงไปบ่อยๆความขุนข้นที่มีอยู่ในภาชนะนั้นก็จะจางลงจางลงพอถึงจุดหนึ่งมันจะเหลือเฉพาะที่เป็นตะกอนหนอนก้น คำนองเดียวก็กิเลสที่ทรงแสดงไว้เป็น3ชั้นชั้นหนึ่งล้นทะลักออกมาข้างนอกเป็นวิติกรมกิเลสคือกิเลสที่ลน้นทรงแก้ไปด้วยศีลอีกชั้นหนึ่งมีลักษณะเหมือนน้าที่สัดส่วนของน้ำใสกับน้ำขุ่นใกล้เคียงกันน้ำไม่ถึงสกรปรกจนดำแต่ไม่ถึงกับจะดื่มกินได้ ลักษณะของจิตที่นิวรณ์เข้าครอบนะที่จิงความคุ้นคุ้นเหล่านั้นจึงสังเกตว่าโอกาสหนึ่งแกก็สงบอยู่ข้างล่างโดยถ้ามีอะไรเข้ามากระทบแกก็ขึ้นมาข้างบนนิวรณ์จึงไม่ได้เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของบุคคลตลอด24ชั่วโมงมีอารมณ์ที่เป็นกุศลมากมายบางโอกาสก็มีอารมณ์ที่เป็นกลางกลแต่บางโอกาสเท่านั้น บางโอกาสที่ตาไปเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมก ล, ลิ่นลิ้นนิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เป็นสื่อกระตุ้นนิวรณ์ที่มีอยู่ภายในใจให้ฟูขึ้นมาเมพิ่พูนกิเลสจากอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบุคคลไปกําหนดกำหนัดว่าน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่หน้าพอใจสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอภิชาและทุพนักก็บังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การกําหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆ ในโอกาสเช่นนี้เวลาเช่นนี้นิวรณ์ก็เกิดขึ้นกลุ่มรมกลุม ร, ม, ร, ม, รมใจแต่เมื่อเอาน้ําใส่คือสํารถเพิ่มขึ้นภายในใจได้เรยความคุ่นข้นเหล่านั้นไม่สามารถแสดงกําลังได้พอดีไม่มีอะไรมากระทบด้วยหรือแม้จะมีอะไรมากระทบแต่น้ําใสมากแกจจะขึ้นมาขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ตกกลับไปให้ลองสังเกตว่าบางครั้ง ความไม่พอใจเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นไม่ถึงกรเกาะจิตอยู่ น, น, นานๆรู้สึกไม่พอใจปุ๊บหนึ่งแล้วก็หายไปแสดงให้เห็นว่าปริมาณของความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นไม่มากพอไม่มากพอที่จะยึดครองใจแล้วก็กลายเป็นความผูกโกรธก็คพือเพลิงของโทสะเพลิงของพยาบาทให้เผาไหม้จิตใจของบุคคลได้ในทุกแก่ก็ตกไป อยู่ข้างล่างก็กลายเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าอนุสัยตอนนั้นเมื่อบุคคลประปฏิบัติไปในขณะที่จเจริญกุศลนั้นหมายความว่ากุศลจะทําหน้าที่สลายกุศลไปด้วยเราทํางานอย่างเดียวแต่เราได้หลายอย่างทํานองเดียวกับอะไรทํานองกระ บ, บุกบนจุดตะเกียงขึ้นมาหรือจุดไฟฟ้ า, ฟาได้ เปิวสวิตช์ไฟฟ้าขึ้นมานั้นที่จริงเราก็ทำงานอย่างเดียวแต่ว่าเพียงกดสวิตช์เท่านั้นแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นผลต่อเนื่องจากนั้นก็คือว่าความมืดได้หายไปสิ่งที่อยู่ในที่มืดปรากฏแก่สายตาของบุคคลสามารถที่จะไปไหนมาไหนเดินเหินได้โดยไม่เป็นสะดุดหกล้มทางพลาด นี่คือผลที่ต่อเนื่องมาจากการเปิดสวิตไฟเปิดสวิตไฟเป็นเหตุทีมีแสงสว่างแสงสว่างเป็นเหตุให้ความมืดหายไปเพราะความมืดหายไปทำให้มองเห็นอะไรได้เพราะการมองเห็นอะไรได้ทำให้บุคคลสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆและประกอบภารกิจของตนโดยไม่เกิดอันตรายขึ้นมาได้เป็นตน้นนี่เป็นผลที่ต่อเนื่อง ในการปฏิบัติธรรมะท่านลองสังเกตให้ดีจะพบว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องละเลยพูดเรื่องภาวนาให้อบรมให้กระทาให้มากอบรมกระทาให้มากหรือภาวนาไม่บุญบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำให้มี้เป็นขึ้นเราจะสามว่าทาอะไรให้มีให้เป็นขึ้นก็ทําความดีมีทานมีศีลมีภาวนา มีการให้ส่บุญมีการโมทนาส่บุญเป็นต้นให้บังเกิดขึ้นภายในใจไม่พูดเรื่องกันละแต่เหมือนกับพูดกันละเพราได้เจอเรืงองการปฏิบัตินั้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นจะทําหน้าที่ขจัดอกุศลไปในตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ในลักษณะร่วมคือไม่เกิดร่วมกันในขณะเดียวกันในอารมณ์เดียวกันสิ่งหนึ่งเกิดมาสิ่งหนึ่งก็ต้องดับไปถึงก็หมายความว่ า, ายามใดที่อกุศลเกิดกุศลในสายเดียวกันก็ต้องดับคืออยู่ไม่ได้เหมือนกัน และเมื่อบุคคลปฏิบัติกระทำให้สมบูรณ์ด้วยอาศัยสติเป็นฐานสาคัญเช่นนี้ทำให้บุคคลสามารถค้ำโอคาได้กามาโอคะที่จริงแล้วเป็นชื่อของกิเลสกลุ่มหนึ่งซึ่งดังที่เคยกล่าวมาเสมอว่ากิเลสนั้นอย่าไปตกใจจำนวนที่จริงท่านเรียกตามอาการของกิเลสเท่านั้นจำนวนก็คือโลภะโทสะโมหะหรือวิชาเท่านั้นเอง แต่เนื่องจากกิเลสเป็นนามนธรรมคล้ายๆกับธรรมะเหมือนกันก็เป็นนามนธรรมเอาก็จริงแล้วพูดยากพระพุทธเจ้าจึงอาศัยรูปธรรมเป็นสื่อในการเรียกกิเลสทั้งหมดเราสังเกตว่านิวรณ์เรียกว่าเครื่องกันเพราะบุคคลจะมองเห็นภาพของเครื่องกันรั้วกั้นเอาไว้เราก็เข้าไปไม่ได้ออกไปไม่ได้พอใจถูกนิวรณ์กั้นเอาไว้ความดีจะเข้ามาก็ไม่ได้จะออกไปก็ไม่ได้ ในที่นี้ทรงเรียกคําว่าโอคาเรลห่วงน้ํามีลักษณะเหมือนห่วงน้ําที่มีกระแสเชี่ยวกราบอะไรก็ตามตกไปในห่วงน้ําก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองจะถูกกระแสน้ําพัดผันไปก็เรียกแต่ว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเรื่องการส่งตัวของวัตถุเหล่านั้นหรือความเป็นอิสระของวัตถุเหล่านั้นจาบใดที่ยังถูกกระแสน้ําพัดไปก็เกิดขึ้นในอย่าง ก็มองเห็นเป็นรูปธปรรมมองเห็นสิ่งทีโ ย, โยนลงไปในแม่น้าถูกกระแสน้าพัดไปถูกแม่น้าบนบ้างถูกอันตรายในแม่น้าทําลายบ้างอันตรายนั้นปรากฏก็มีไม่ปรากฏก็มีคืออยู่เหนือน้าก็มีอยู่ใต้น้านก็มีจิตใจของบุคคลที่ตกไปในกระแสของกิเละ ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นมีอันตรายรอบด้านเตรพร้อมที่จะเกิดขึ้น แต่เมื่อประกาศจาแนกโดยประเภทกิเลสมันก็เป็นกิเลสประเภทความโลภความโกรธความหลงเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะแม้เราจะพูดถึงสังโยชนิสประการก็คือกิเลสโลภโกรธหลงนั่นเองจะมีความหยาบอย่างกลางอย่างประนิดอาการมันก็มีความละเมิดระมัขึ้นแต่ความเป็นยาพิษความเป็นกิเลสก็ต้องมีอยู่ แม้ใครจะขอคุ้มไว้ด้วยเชือบเคลือบไว้ด้วยของของของหวานแต่ถ้าข้างในเป็นยาพิษแกก็คงจะแสดงความเป็นพิษออกมาแน่นอนยามที่แกวางอยู่ปกติก็ไม่เป็นพิษอมก็ไประยะหนึ่งก็ยังไม่เป็นพิษแต่เมื่อข้างนอกได้ถูกละลายไปหมดความเป็นพิษของแกก็จะปรากฏอิเลสประเภทโยคะหรือโอค่ะไปผวมน้ําก็มีลักษณะอย่างนั้นในจําแนกแสดงออกไปก็คือกาบ กามาโอคได้แก่กิจที่ถูกกระแสของความคร่ในอารมณ์พัดผ่านไปหมุนวนไปเข้าสู่ทะเลแห่งอารมณ์พระพุทธเจ้าบังคังทรงชี้อันต ร, รายในรูปที่เป็นรู ป, ปรธรรมเหมือน่นคนลงเรือคราวหนึ่งเราจะเพราะว่าอันต ร, รายในแม่น้า น, นั้นเช่นอันต ร, รายเกิดจากคลื่นก็มีเกิดจากน้าบนก็มีเกิดจากปลาร้ายก็มี เกิดจากเจร์เคกก็มีหรือเกิดจากสัตว์เหล่าอื่นก็มีอันตรายเหล่านั้นปรากฏตัวก็มีไม่ปรากฏตัวก็มีภายใต้น้ําที่ลึกและใครไม่สามารถมองเห็นได้อันตรายเพราะเหยื่อปรากฏเกิดขึ้นในสมนสมองเสมอคนที่เดินเรือเมื่ออาศัยอุปมาที่เป็นรูปธรรมเช่นนี้ก็จะเข้าใจได้แต่บางคนไม่เข้าใจอุปมาณนั้นก็สงใชยคําอื่น เส้นทรงใช้คำว่าเครื่องเป็นเชือกที่มัดเอาไว้บาคนก็มองเห็นภาพว่าอะไรก็ตามถ้าเชือกมัดเอาไว้มันก็ไปไหนไม่ได้ติดอยู่เท่านั้นบางครั้งก็อุปมาเหมือนกับเครื่องสิ่งที่ถูกร้อยเอาไว้ย่างสมัยก่อนมันก็ดูได้ง่ายนะพวกโคก็ถูกร้อยจมูกร้อยกับแอกบ่าร้อยกับตรงนั้นตรงนี้บ้าเป็นภาพที่มองเห็นว่าถ้าถูกร้อยเอาไว้แล้วมันก็ไปไไหน ใจก็เหมือนกันถ้าถูกละไว้ด้วยกิเลสก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็สรงใช้คําว่าอาสวะที่จริงเป็นกิเลสกลุ่มเดียวกันอาสวะเครื่องหมักหมมทั้งหลายสิ่งที่หมักดองไว้ทั้งหลายทับถมกันดูไม่รู้อะไรต่ออะไรบุคคลมองรูปมองสีหรือสูดกลิ่นของสิ่งเหล่านั้นเข้ามาก็จะรู้ไปจักว่าสิ่งนี้น่ากลัวเวลาเกี่ยวข้องมากก็พร้อมที่จะเป็นอันตราย กิเลสประเภทกามคือกิเลสประเภทที่บังคับใจให้สายไปในอารมณ์ทั้งหลายที่ทรงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าวิสติกาคือสั้นไปแล่นไปจับสิ่งนี้ว้าสิ่งน้นวิ่งไปหาสิ่งนั้นสภาพจิตในลนนักษณะนี้เวลาออกมาเป็นรูปธรรมและจะเห็นได้ชัดปัจจุบันนี้มีห้างสรรพสินค้ามาก ข้าไปในห้างสรรพสินค้าถ้าเกิดกำหนดว่านั่นก็ดีต้อนก็ดีชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ดีก็วิ่งกันหอบกว่าจะซื้ออะไรได้สักอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงการสั้นไปของกิเลสเรศอกะคือพัดผันใจให้หมุนไปตามที่แกต้องการจะให้หมุนบาะครงเราก็วิ่งวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นอาจจะต้องการไม่มากคือเงินมีจานวนน้อยแต่ความอยากมีจานวนมาก ก็ต้องก็ต่อสู้กันระหวังเหตุผลกับตัญหาอะไรแกมีความชนะถ้าเหตุผลชนะก็ไม่ต้องเข้าไปซื้อนานเท่าไหร่ก็ซื้อมาเลยเงินมีเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าการแกชนะเหตุผลสู้ไม่ได้ก็ต้องเดินเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายชันอาจจะกินเวลาเป็นชั่วชวโมงก็ได้นั่นคือลักษณะสายไปของอารมณ์พระพุทธจ้าจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษโทษที่มาจากแกใจนั้นคือใจเองก็ร้อน เวลาของชีวิตต้องเสียไปเพราะเรื่องเล็กน้อยซึ่งในที่จริงก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรและใจที่ถูกกระแสของกิเลส ก, กัดกร่อนในลักษณะนี้เมื่อเกิดเป็นแผลใจคือพร้อมที่จะรับเชื่อต่อไปโอกาสของชีวิตจะต้องสูญเสียไปเพราะตามใจความอยากที่บังเกิดขึ้นซึ่งอุปมาเห็นว่าเหมือนกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากปังน้ํำบนคือตกลงไปแล้วหมุนอย่างนั้นเอง บางครั้งก็พังทลายไปเลยเพราะเรื่องเรื่องเดียวเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาจนอยู่ในฐานะของทีละชนมองผลที่เกิดขึ้นจากนิพพานมองผลดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะแล้วก็ต้องเพียรพยายามเสริมสร้างสติสมัญญะ์และความเพียรขึ้นกำหนดระลึกรู้ในอารมณ์ทั้งหลาย จะค่อยๆกับเกราใจของตนให้สงบให้ประณีตขึ้นไปอย่าน้อยก็ลดความรุนแรงของกระแสกิเลสที่เรียกว่าโอคาให้เบาบังลงพอประคองตัวให้อยู่ได้ไม่ล่มไม่จมลงในกระแสะน้ําเหล่านั้นที่ว่าเป็นธรรมเป็นการทําความสวัสดีให้แก่ตนได้ในระดับหนึ่งต่อแต่นี้ไปเราก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป